ถ้าสามารถกําหนดชีวิตได้ว่าคือขันธ์ธาตุอายตนะก็จะละสกายพิฐิคือความสําคัญว่าเป็นตนออกไปได้หรือสําคัญว่าเป็นของตนออกไปได้เพราะจริงๆก็คือขันธ์ห้าถึงเราจะสําคัญว่าของเรามันก็คือขันธ์หเราไม่สําคัญว่าเป็นของเรามันก็คือขันธ์ห้าวันยังค่ำจะเมื่อไหร่ก็ตามก็คือ ขันห้าขันเอกจ่าดีก็คือขันห้าจะอนาคตต่อไปก็คือขันห้าพรมก็คือขันหน่อยพรมนี่ก็ต้องดูถ้าอสัญญาศาตร์ก็ขันเดียวถ้ารูปประพรมทั่วๆไปก็มีห้าขันถ้ารูปประพรมมีสี่ขันแต่เราทั้งหลายนี่มีห้าใช่ไหมแต่ไม่ใช่อยู่อยู่ไม่ใช่แค่อยู่แค่ห้าขันคนเดียวนะพวกที่อยู่ในพรมก็มีอีกคนละห้าขันห้าขัน พวกที่อยู่ตามที่ต่างๆก็โอ้หลายขันก็มีเล่าว่าสระผมหนึ่งครั้งเนี่ยตายไปเยอะกันนะเอาเจตนาฆ่ามีหรือเปล่าล่ะแต่ว่าให้รู้ว่าทุกครั้งที่สระผมเนี่ยโอ้ล้างออกไปเยอะเหมือนกันหนึ่งใช้คําว่าฆ่าจะบาดตายไปหน่อยนะแต่จริงๆอ่ะนะไม่ได้อยู่คนเดียวนยีผมเนี่ยเพราะว่าเป็นที่อะไรเป็นกลุ่มสังเสริฐะชะเกิดได้อ่ะก็คือถ้าเราพิจารณาโดยความเป็นทุกข์สัต์ สรุปรวมรวมมากจะเห็นด้วยความเป็นขันธาตุอายตนะอะไรอีกพวกนี้เห็นขันธาตุอายตนะขันธาตุอายตนะเกิดจากสมุทัยสมุทัยอันนั้นก็คือปฏิจจสมุปบาทผู้ที่รู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างดีจะละอุเฉท ท, ทิฏฐิพวกอุเฉท ท, ทิฏฐินี่ยเขาถือว่าชีวิตอยู่แค่เชิงตะกรไมายพราะว่าเผาแล้วก็จบเลยเพราะพวกนี้จะถือว่าจบที่เผา แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ใช you know, ่ไหมก็การตายเนี่ยคือการเริ่มเกิดะตายก็คือการเริ่มเกิดเพรทันชีวิตเนี่ยคนที่คิดอยู่ว่าแค่ตายแล้วจบเลยพวกนี้เป็นอุเฉตของเรานี่เวลาสมมติเราเห็นคนถูกระเบิดตุ้มเราคิดอะไรเกิดแล้วอืไม่แน่นะจะเข้าสัตตานเนอรถ้าคือถ้าถ้าคิดว่าโอ้ระเบิดตุ้มหายเลยศูนย์ไปเลยอันนี้อุเฉต ตุ้มแล้วก็มีใครเดินออกมาจากไอ้นั้นน่ะอันนั้นก็เป็นศาสัสตอาก็แล้วเคยหมายความว่า <c oughs> อย่างเช่นนะระเบิดตุ้มหายอตายปั๊บเนี่ยนะมีคนอันนั้นออกมาจากตรงไหนดีบางคนบอกออกมาจากหน้าผาก <c oughs> ออกมาจากกรงหน้าผากออกมาจากส่วนใด่วนหนึ่งไนอะกลุ่มนั้นและเป็นกลุ่มศาสตะเหมือนกับว่าวิญญาณออกไปแล้วล่องลอยไปแล้วพวกนี้สัตตะ นั้นคือถ้าคนที่จะละอุเฉะท้าทิถีได้คือบอกว่าชีวิตจริงๆไม่ได้จบแค่ตายจะตายไม่ใช่จบตายคือการเริ่มใหม่ทีนี้ถึงทำยังไงจึงจะเลิกเริ่มต่อไปจะต้องแทงตลอดนิพพานเนี่ยหนะตรงนี้เรียกว่าแทงตลอดนิพพานคือรู้ว่ามีนะธรรมะเป็นที่ที่ดับไม่ให้เกิดอีกต่อไปอ น, นะธรรมะที่สงบระงับดับไม่ให้เกิดอีกต่อไป ธรรมะอันนั้นก็คือพระนิพพานหรือปฏิจจสมุปบาทสายปฏิโลมปฏิจจสมุปมบาทปฏิโลมอันนี้ทุกขศาสัก็สมุทัยก็อนุโลมนะทีนี้พระนิพพานเนี่ยที่จะดับทุกเนี่ยเกิดเองใช่ไหมลอยๆใช่ไหมไม่ใช่แล้วทําไงคือหมายความว่าเวียนว่ายตายเกิดอีกสักสี่ห้ากับเดี๋ยวมันบรรลุเองเนี่ยนะเกิดอีกกี่กับกี่กับเดี๋ยวก็ที่สุดแห่งทุกเองเกิดอย่างนั้นใช่ไหม ไม่ใช่เกิดจากเอินอริยมรตมีองแปดอันนี้ต้องภาวนาขึ้นไม่ต้องเจริญขึ้นถ้าว่าโดยสรุปเนี่ยนะคนที่มีปัญญารู้อริยสัจทั้งสี่ประการเนี่ยละทิฐิรู้ทุกขสัจละสกายทิฐิรู้สมุทยัยสมุทัยสัจจละอุเฉททิฐิรู้นิโรสัรจะละสัสตทิฐิรู้มรรคสัจละอคกคริยะทิฐิเนี่ยไหละทิฐิเหล่านี้ได้ สรุปว่าถ้าอย่างพุทธพจน์อย่างที่ว่า อ, อนิกาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายคือขันธาตุอายตนะเนี่ยนะไม่เที่ยงเนออุปัตถวยธรร ม, มิโนอุปัตถวอุอุปอุปอัตถวยะเนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วอุปวัวะเนี่ยออุปัตถวยธรร ม, มิโนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าสังขารมีอันไหนที่คงทนไหมมันเมื่อเกิดขึ้นก็มีอันเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปชิตวานิรุตชันติเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะเกิดเพราะสมุไทยเกิดอย่างนี้นะถ้าดับได้นิรุตชันติเนี่ยนะถ้าดับด้วยพระนิพพานเนี่ยได้เตสังวุปสโ ม, มสุขโขนั่นเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะฝนก็คงถ้าเข้าใจอย่างนี้นะเวลาฟังพระอนิจจาวัตสังขารางงานศพเมื่อไหร่ก็ฟังอริยสัจตอนนั้นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไป เกิดขึ้นแล้วหมายว่าปฏิจจามันทําให้เกิดใช่ไหมเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปถ้าดับสังขารเหล่านั้นได้นิรุชันติเนี่ยนะถ้าดับได้นิรุชันติเป็นชื่อของพระนิพพานถ้าแทงตลอดพระนิพพานได้ก็ดับทุกได้นั่นเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่นะอันนี้เป็นคําของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านเห็นพระนิพพานแล้วท่านอุทานกันว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้แหละมีเหตุมีปัจจัยทําให้เกิดอย่างนี้แหละ สังขารที่เกิดขึ้นแล้วไม่เที่ยงรองสังขารที่เที่ยงไม่มีรองแต่ถ้าผู้ใดแทงตลอดพระนิพพานที่เป็นอสังกาาัตถะออกจากสังขารโดยประการทั้งปวงนั่นเป็นสุขจริงๆเพราะคนที่เกาะเกี่ยวไว้ในสังกาตถะถามว่าจะสุขได้ไหมก็ชีวิตฝากหวังความหวังให้กับฟองน้ําหมดถ้าฟองน้ํามันแตกไปยังไงขันทั้งหลายก็เช่นกับฟองน้ํานั่นแหละถ้าเราไปเพลิดเพลินกับขันถ้าขันแตกเสียหายทําลายไป เราก็เดือดร้อนเพราะขันเหล่านั้นเหล่านั้นแต่ว่าที่อย่างว่านะต้องไม่ลืมกิจใช่ไหมทุกศาสตร์นั้นทวนนะปริญญาปริญญากิจน่ะนะสมุทัยศาสตาาร์ก็ฐานะกิจนิโรศศาตร์ก็ศาตร์ชิกิริยามรรคศาตร์ก็ภาวนาก็เจริญตามนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะเพราะระบบจริงๆของอริยศัสตร์มันจะเป็นอย่างนในท่านคาถาที่ ที่เราฟังในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยเป็นคาถาที่ประกาศอริยสัจสี่เพราะเพียงแต่ว่าเราอ่านแล้วจะเห็นเป็นอริยสัจหรือเปล่าแค่นั้นเนี่ยนแต่ถ้าเรียนเนติปรกรณ์หรือปฏิสัมพิธามรักไว้ดีนะก็จะเป็นเป็นไปตามนี้พนเพราะปัญญาที่กำหนดอุทยับเนี่ยนะอุทยะเนี่ยก็คือรู้ว่าอาวิชชาตันหากรรมนี้ทำให้ขันทา ธ, ธนาตุอายตนะเกิด ถ้าแทงตลอดอสังขตะท่าหรือบรรลุพระนิพพานได้ขันท่าอายตนะก็ก็ดับเนี่ยนะก็ไม่เป็นไปเรียกว่ากําหนดความเกิดและความดับการกําหนดทุกขัสสะทั้งหลายโดยเกิดโดยความเกิดเนี่ยนะทุขกขัสสะกําหนดตัวความเกิดที่ทําให้เกิดเรียกว่ากําหนดสมุทัยสัตว์ท่าแทงตลอดธรรมะเป็นที่ดับเรียกว่ากําหนดนิโรสัจจะเพราะฉะนั้นโดยญานะเนี่ยนะ โดยญานที่กล่าวไปเนี่ยปัญญาที่กําหนดสมุทัยศาสตร์ได้เรียกว่าปัจยะปริคหายานปัญญาที่กําหนดความดับได้นี่เป็นยานในนิโรธคือกําหนดกําหนดนิโรธได้แต่ถ้าเป็นยานชั้นสูงและแล้วทํายังไงอ่ะมันจึงจะแทงตลอดนิโรธอย่างที่ว่าเนี่ยอันนั้นแหละจะเป็นพังขะพังขยานหรือเรียกว่าวิปัสสนาญาตปฏิบัติยังไงเนอจะแทงตลอดพระนิพผานอันนี้ เรารู้แล้วใช่ไหมว่าเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของวัตถะสังสารวัฏเป็นอย่างไรตกลงแลวรู้ยังไงจึงจะแทงตลอดท่านี้ผ่านอย่างที่ว่าของเราก็พากันเดินมาถึงจุดนี้แล้วใช่ไหม ย, ยานทั้งหมดนี้สมัยเน้นละ เ, เรื่องของทิฏฐิครับระดับสูงสุดนี้ขั้นไหนครับเนี่ยคือยานอันนี้ยังเป็นโลกิยาญาณคือในเบื้องต้นเนี่ยนะถ้าได้โสดาปฏิมัติไปแล้วมันจะไม่ใช่ปัญหา นะเพราะพระโสดาบันจะไม่เข้าใจผิดโดยประการทั้งปวงเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยนะพระโสดาบันรักกายะทิถิวิจิกิจชาสีและพระตาปรา ม, มากพระโสดาบันเนี่ยกาหนดสากายะทิฐิได้จึงละเออขออภัยพระโสดาบันกําหนดทุกศาสตร์เป็นอย่างดีจึงละสากายทิถิเนื่องจากกําหนดสมูทัยได้จึงละวิจิกิจฉสี เนื่องจากกําหนดนิโรธศักมรรคศักดิ์ได้จึงละศีละพระตะปรามากเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าบรรลุเป็นโสดาบันแล้วนะไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะในในช่วงนี้การแสดงเนี่ยแสดงข้อปฏิบัติให้เป็นพระโสดาบันก่อนเนี่ยนะถ้าเป็นพระโสดาบันไปแล้วก็จะไม่มีปัญหาแล้วเพราะพระโสดาบันนั้นน่ะทำปริญญาเพื่อละ สกายติฐิวิจิกิจฉาสีละพะตาปรามาตแต่ถ้าเป็นพระสกะทาคามีก็ทำปริญญาเพื่อละการมราคะาปฏิฆาอย่างหยาบถ้าเป็นพรนาคามีก็ทาปริญญาเพื่อละการมราคาปฏิฆาอย่างละเอียดถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ทำปริญญาในทุกขศักเพื่อละอะไรรูปปราคะารูปปราค า, ปป า, คามานะอุทะจะและอวิชชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นตรงนี้เนี่ย ชี้ข้อปฏิบัติให้เป็นพระโสดาบันก่อนถ้าถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วจะโอ้ไม่ใช่ปัญหาแล้วใช่ไหยอีกกี่ชาติดีสาธุเมื่อก่อนถ้าถ้าพูดถึงก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันนะครับที่มีญานะรู้ในการที่ยละสกาย ะ, ะเชธาหรือว่าสัสนตะอกิุรญาเนะะี่ครับอันนี้นยังเป็นโลกยะญาณทั้งหมดเอ่อเป็นอนุปัสนาเจตหร อ, อยังครับเอ่อผู้ที่ ตอนเนี้จึงจะเริ่มตรงนี้จะเริ่มลักเข้าอนุปัสนาคือที่ถามเมื่อกี้ว่าถ้าเราจะเจริญเนี่ยเจริญยังไงเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเหตุผลว่าทุกเนี่ยเกิดเพราะอะไรเพราะสมุทยัยแล้วสมุทัยเนี่ยมีนะัดับได้จริงจริงนะถ้าแทงตลอดพระนิพพานดับสมุทัยได้จริงๆคําถามว่าแล้วรู้ยังไงอ่ะมันจึงจะจึงจะแทงตลอดพระนิพพานอย่างที่ว่าอันนั้นคือคือคําถามที่ที่ผูกทิ้งไว้เมื่อกี้ไนงะ เรารู้ใช่ไหมว่าตอนท้ายเนี่ยแดนอย่างเดียวคือที่จะดับวตาได้ก็คือการเจริญจเจริญวิปัสนาพอพอตรงนี้เนี่ยอนุปัสนาเนี่ยมันเกิดขึ้นเองหรือทำขึ้นเกิดขึ้นเองหรือทําขึ้นอนุปัสนาทั้งหลายเกิดจากการทําขึ้นถ้าใครคิดว่าไม่ทํามันขึ้นนะคนนั้นเป็นกลุ่มอกิริยะทิธีเป็นมิจฉาพิธิอีกชนิดหนึ่งเนี่ยนะถ้าไม่ทําอะไรเลยนะเรียกว่าเป็นมิจฉาพิธิอีกชนิดหนึ่ง เพราะฉะนั้นจะต้องทําขึ้นแต่พะมิถาทิฏฐินั้นมีอะไรสการยัตทิฏฐิอุเฉทททิฏฐิสัสนตาทิฏฐิอากิริยะทิฏฐิถ้าปฏิเสธการกระทําเท่ากับปฏิอะไรด้วยนัตถิกาทิฏฐิอะไรอีกอุเฉทททิฏฐิว่าไปแล้วใช่ไหมอากิริยะทิฏฐินัติกาทิฏฐิและอะไรก็มีสามนี่ยก็พวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มอเหตุตุกะทิฏฐิ จะตามด้วยมิจฉาทิฐิอีกบานเบิดเลยแต่ที่เห็นเห็นชัดก็คือถ้าไม่เจริญอนุปัสนาขึ้นนะอะไรจะเกิดถ้าไม่เจริญอนุปัสนาเพื่อให้แทงตลอดพระนิพพานแนละเราก็เจริญสมุทัยอ่ะนะซึ่งเป็นปกติของเราทั้งหลายเนี่ยก็มองเห็นอารมณ์อะไรบ้างโอ้นี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนะเห็นญาติที่เรารักที่สุดเดินมาโอ้ทุก ทุกขสมุทยัยทุกขานิโรธทุกขานิโรธถาคม่นีปฏิปทานเนี่ยนะโอ้ถ้าอย่งงางนั้นก็นุมโมทนาด้วยว่าท่านได้ทําถึงเกือบถึงที่สุดแห่งทุกแลว้วแต่ถ้าคุยอยู่ทั้งครึ่งชั่วโมงแล้ยยังนึกอะไรไม่ได้เลยนะสลบตลอด เ, ล, เลยถ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้จะไปเจริญกรุณาให้ใครอีกแล้วคือ <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราคงเรียบเรียงลําดับญาณขึ้นมาเรื่อยๆให้คุ้นเคยกับญาณ น, นะมากกว่าที่จะเรียน ให้จบเร็วๆนะก็คือฟังฟังถึงยาณะที่เป็นไปโดยลําดับโดยแง่มุมต่างๆโดยวิธีการต่างๆเนี่ยนะนะเพราะว่าการเรียนพระธรรมของเราเนี่ยถ้าเรียนจบเร็วก็ขอมาขี้เกียจเปิดอีกรอบหนึ่งบอกอูร้รีบเรียนรีบเปลี่ยนทําไมะให้จบไงจบแล้วทำอะไรแล้วก็ได้กลับมา เ, เรียนเดินใม่ไงจะได้กลับมาเรียนของเก่าอีกนั่นแหละบอกเพราะงั้นเอาไปฟังเทพก่อนแล้วกันช่ว <laughs> งนี้ก็คงพักสักหน่อยก่อนนะ